ตอที่จะศึกษาพระธรรมก็เป็นการนอบน้อมที่บอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะว่าถึงแม้เราจะศึกษาพระธรรมคำสอนในหมวดใดในบทใดหรือในข้อธรรมใดก็แล้วแต่ธรรมะที่เรามาศึกษาเอามาไข ค, รครวัวมาประพฤติปฏิบัติกันเป็นธรรมะที่พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วพระองค์ได้แทงตลอด ฉะนั <necessary. S 2> ้นพระธรรมทุกหมวดทุกตอนใช่ไหมที่เรานำมาไถ่ควรนำมาสาธยายนำมาพิจารณานั้นก็ต้องรู้ว่าธรรมสามีก็คือพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมสามีในที่นั้นก็คือพระบรมศาสดาท่านเป็นเจ้าแคนั้นเมื่อท่านเป็นเจ้าพระธรรมนั้นหมวดธรรมทุกหมวดที่เรานำมาไถ่ควรนั้นน่ะเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นอริยทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าที่พระบรมศาสดาจะตัดสั้อริยทรัพย์เหล่านี้พระองค์ต้องบ่มเพนบารมีมายี่สิบอสงไข ยิ่งด้วยแสนมหากรอบฉะนั้นยาวนานมากใช่ไหมถ้าเราพิจารณาตามหมวดธรรมต่างๆเราก็จะเห็นความลึกซึ้งในหมวดธรรมตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลฉะนั้นที่เราคิดเห็นได้นั้นเป็นเพียงเศษน้อยนิดเท่านั้นเองที่เราเข้าถึงอัธรสและธรรมรสของพระธรม ร, รมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะในพระธรม ร, รมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะมีอัทธะและมีพยัญชนะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมาก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 พยัญชนะก็มีความค่อนข้างจะลึกซึ้งถึงภาวะที่จะพึงเข้าใจได้ง่ายแก่เวนัยศัสตร์ทั้งหลายเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เวนัยชนนะหรือไม่ใช่สัตว์ที่มีวินยัยแปลว่าสัตว์ที่ไม่มีสังวรวิในเนะไม่มีประหารวิในยนะยากนักหนาที่จะได้ดื่มด่าอรรถธรรมรสของคําสอนของพระผู้มีรพระภาคเจ้าคําว่าสัตว์นั้นต้องถึงพร้อมด้วยวิในก็หมายความว่าวินัยมีสองอย่างใช่ไหม ในกลุ่มของสังวรวินัยก็คือศีลสังวรสติสังวรวิริยาสังวรขันติสังวรแล้วก็ญาณนาสังวรส่วนในด้านของวินัยก็คือว่าต่ทางค้าประหารหรือต่ทางค้าวินัยวิขำพรนวินัยสมุเฉทวินัยปฏิปัสัธิวินัยแล้วก็นิสลายนวินัยใช่ไหมก็คือวินัยในที่นั้นก็คือวิมุตินั่นเองทีนี้ถ้าบอกศีลสังวรได้แก่ปาติโมกสังวรศีล ปาฏิโมกขังวรสีนั้นจะสาเร็จบริบูรณ์ได้ก็ด้วยสัตทินสีหรือศรัทธาเป็นประธานใช่ไหมเช่นปาฏิโมกสังวรศีนั้นเป็นของพระก็คือว่าปราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสามเป็นต้นสองอยี่สิบเจดของพระภิกษุณีสามสกกิบเอ เ, เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยสมเณรก็สิแล้วก็เสกที่วัดอีกเจ็ดบห้าก็บวกเข้าไปของสมณเณรนี้เป็นต้นนะนะแล้วก็ยังข้อวัดอีกมากมายแล้วถ้าของญาติโยมก็คือสีลห้าสิบแปดและศีลเก้าสิบก็ตามสถานะที่ศรัทธาของท่านผู้นั้นจ จะมาทานเราใช่ไหมทีนี้เมื่อมีศถาขตาโพที่ศัทธาแล้วเนี่ยศรัทธานั้นจะถ้าเรามีศรัทธาในพระเจ้าใช่ไหมเราก็น้อมทีจะรักศีลในการที่เอาปฏิโมกซังวอนศีลหรือศีละสังวอนนะั้นมาใช้มาเป็นข้อในการที่จะทําให้กายกรรมวจีกรร ม, รรมไม่เก่อนคนไม่กระจัดกระจายใช่ไหมศีลละนะก็เริ่มมาเพ่นพ่านอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกได้นั่นเขาเรียกว่าศีละสังวอนทีนี้ศีละสังวอนเนี่ยถามว่าในส่วนของจารีศีลเราก็ไปพิจารณาดูใช่ไหม เคยกล่าวค่อนข้างหลายๆครั้งยังไงว่าเราเออประพฤติในด้านจารีศีน่ะบกพร่องไหมหรือบริบูรณนะ์ในฐานะทําหน้าที่ก็คือหน้าที่ในฐานะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานญาติมิตรตลอดถึงเครือญาติทั้งหลายก็ว่ากันตามสถานะตามข้อวัดต่างๆที่พระองค์ทรงวางหลักเอาไว้นั้นในด้านของจารีศีใช่ไหมจารีศีหรือในด้านของเกี่ยวในเรื่องของวารีศีการอบรมศีนก็คือว่าก็มาทําศีนนั้นให้เข้มข้นขึ้นในชีวิตจริงให้ได้ ก็หมายความว่าคุศโศฬสีต้องเดินได้จริงใชเช่นสมาทานวิรัติมาเบสเสร็จแล้วสมาทานวิรัติแข็งแรงไหมสามารถที่จะเข้ามาเคกื่อหนุนได้ตลอดวันไหมถ้าเกื่อหนุนได้ตลอดวันปราลบแต่ละครั้งนั้นก็สามารถป้องกันบาปของโสฬธรรมลามมกไม่ให้กายกรรมที่มีการเคลื่อนออกไปแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการล่วงละเมิดสีวาจีกรรมที่มีการเปล่งออกมาแต่ละครั้งนั้นน่ะมีปฏิโมกสังวรนสีมคอยกากับดูแลอย่างชัดเจนเล ย, เยอาชีพก็ไม่ก็หมายความว่า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 วัจีกรรมเนี่ยเราจะเปล่งวาจาเราจะกล่าวแต่ละครั้งบอกเราใช้กุศลศีลมาคอยดูแลไหมถ้ากุศลศีลคอยดูแลกายกรรมคอยดูแลวัจีกรรมและคอยตรวจสอบอาชีพให้บริสุทธิ์จิตตลอดเวลาและจิตใจก็ไม่เศร้าหมองอันนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าศีลเดินและศีลทําหน้าที่ได้ใช่ไหมมีต่างหากคือคนที่ศรัทธาในพระผู้มีประภาคืแล้วนับเอาเอาอริยสัพพะของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงๆถ้าใช้ได้ไม่จริงแสดงว่าปัญหาเกิดไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดีนะ แสดงว่าเราเข้าผิดเราสมาทานผิดนี่เราไปตั้งเราไปยึดคําว่าสมาทานเนี่ยสมาทานก็เลยทิ้งสมาทานก็ทิ้งถ้จริงคราบว่าสมาทานคือความตั้งใจในการที่จะมัดเว้นความตั้งใจในการที่จะประกอบกุศรศีลประกอบในที่นั้นเป็นชื่อของโยนิโสมนสิการก็ได้ก็คือมีโยนิโสมนสิการในการที่จะปารบศีลบ่อยๆปารบกุศลศีลบ่อยเข้าใจใไหมกุศลศีลก็จะเดินได้จริงในชีวิต ใหสังเกตดูดีคนมีกุศลศีลเขามีความสุขเขามีความสุขใจก็ไม่เศร้าหมองเพราะตัวกุศลศีลนี่ยเกิดที่ใจถึงจะมาจัดแจงดูกายกรรมวิจีกรรมดูแลอาชีพให้บริสุทธิ์ได้เขาจะไม่เศร้าหมองก็จะไม่ขุนมัวถ้ายังเศร้าหมองขุนมัวแสดงว่าศีลไม่เดินนะเพราะศีลเป็นปฏิบัติต่อโทสะดูง่ายๆแค่ตรงนี้ก็เห็นชัดฉะนั้นถ้าโทสะเกิดขึ้นถ้าโทสะเกิดขึ้นนะถ้ากุศลศีลเริเอาไม่อยู่เขาเจริญเมตตาช่วยเอาเมตตาก็ยังไม่อยู่ดูอธิษฐานคติคติบารมีเขาก็ช่วยนะ ศีลบารมีเมตตาบารมีขันติบารมีสมตัวพอไหมโอ้โหถ้าจัดแจงก็แค่กระโทศาไม่ได้เล่นบารมีกินบารมีไปทั้งสามข้อแล้วนี่ยุ่งแลใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้ต่างหากเป็นตัวหนุนเนื่องในการที่จะทําให้กุศลศีลแข็งแรงขึ้นพอจะมองเห็นในตรงเนี้ยนะอันนี้คืออริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ก็หยิบเอามาใช้ให้ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ได้ในชีวิตจริงถ้าความว่วงเกิดขึ้นทํายังไงอ่าถ้าว่องเกิดขึ้นทำยังไ ง, า ง, ไงบางครั้งตั้งใจเข้าไปใช่ไหม ตั้งใจว่าบางทีทีความง่วงเนี่ยได้มากจะมาจากการฟังทำยังไงถ้าสมมติว่าเอง่วงมากๆไม่ยืนเลยเนะยืนได้บางทีก็ออกเดินเดินหลบๆมุมจะช้าฟังไปด้วยไม่ผิดนะถือว่าเคารพด้วยนะยืนก็ได้ใช่ไหมอันนี้วิธีแก้ได้เยอะแยะนะแต่ห้ามนอนการการยืนเนี่ยไม่ถือว่าไม่เคารพทำการเดินก็ไม่ถือว่าไม่เคารพทำเพราะเรามาสิการจะเคารพทำนั่นแหละแต่ถ้าหลับสงบถือว่าไม่เคารพทำ อ๋่นี่แล้วก็เลือกเฟ้นเอนใช่ไหมเพรานั่งหลักปุ๊บปๆ๊นี่ถือไม่เคารพเนอะแต่กิริยาเคารพเนาะแต่อย่างนั้นเรียกว่าไม่เคารพเพราะไม่ได้ตั้งใจเคารพก็คือพระพุทธเจ้าตรัสนะตรัสในคําสอนที่บอกว่าการแสดงธรรมของพระบรมศาสดานเนี่ยนะเป็นการแสดงธรรมเพื่อต้องการให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เกิดความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนี่นะพระองค์ก็จะแสดง ในกลุ่มของบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุคติตตันยูวิปจิตตันยูเนยญาปธาป ร, าปรมาทั้งหลายถ้าในยกปัจจุบันตัด2ประเด็นออกไปอุคติกับวิปจิติออกไปเสียเหลือเนยญา ก, กระทาธาปรมา <c oughs> ตรงนี้นะในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งสัพยัญชนังอยู่ไหมการประกาศคือการแสดงโดยย่อชื่อว่าสังกาสนะกาสานะก็มีความหมายว่าประกาศแสดงทําให้แจ่มแจ้งนะการแสดงโดยย่อ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 ถามาถ้าเราหมายมั่นด้วยตัณหาหมายมั่นด้วยทิฏฐิหมายมั่นด้วยมั น, มนนะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่มานจะผูกรัดเราไว้ผูกมัดไหมถ้าเราไม่หมายมั่นด้วยตัณหามานะทิฏฐิมานจะผูกมัดเราได้ไมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น น, นนะฮะทีนี้การประกาศทีแรกเขาเรียก่าประกาศนะการแสดงความที่จะพึงกล่าวในภายหลังด้วยคําทีแรกเช่นในคําว่าสับพังทิเกเวอาทิตตังดูก่อนพิเกือทั้งหลายทุกอย่างเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนนี่นะอันนั้นชื่อว่าประกาศนะ ปาศัพ์นี้เป็นไปในอัตว่ากระทําทีแรกเหมือนกับปัญญาเปติย่อมบัญญัติกระทําให้รู้ทีแรกถ้าปัตเถติก็แปลเริ่มตั้งใช่ไเริ่มตั้งก็คือว่าตั้งไว้ทีแรกเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าสองบทก็คือว่าสังกาชนาปะปกาชนะมีสองบทใช่ไหมเล็งถึงบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่ก้าพอตั้งพุกท่านก็เป็นการเปิดนิดหน่อยปัตเถตินี่คือตั้งพอตั้งพวกก็เปิดให้เห็นพอเปิดให้เห็นมันรู้ซะแล้วนี่รำบาดเกินเลย พอบอกสิ่งทั้งพวงเป็นถ้าบอกว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ก็ถูกมารผูกไว้ไม่หมายมั่นอยู่ก็ไม่ถูกมารผูกไว้พูดคำนี้พูดแค่นี้ทําไมเขาไบรรลุอันนี้ต้องยอมรับว่าปัญญาท่านไม่ธรรมดาจริงถ้าบอกว่าอย่างเราทั้งหลายก็อย่างนี้ย่อจัดวะใช่ไหมไม่เข้าใจขอขยายใหม่ใช่ไหมแล้วก็อย่างเราก็ต้องขอขยายทีนี้ถ้าหากว่าแสดงกล่าวเนื้อความย่อให้พิศดาน์เขาเรียกว่าอะไรดีถ้ากล่าวมาแล้วครั้งเดียวอีก วิวัฒนาคือการขยายส่วนคําว่าวิพัชนาคือการจําแนกการขยายแล้วก็การจําแนกเอาอย่างไรเขาเรียกว่าเนื้อความที่กล่าวไว้แต่โดยย่อใช่ไหมครั้งเดียรู้ว่ากุศลธรรมมาเนี่ถือว่ากล่าวย่อไหมกุศลธรรมาเนี่ยทำที่เป็นกุศลเนี่ยย่อไหมหรือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพูดแค่นี้เราเข้าใจไห ม, ไ, หมนะไปเจริญกุศลเข้าใจไหมอ้าวยองสุภะนภโขไปเจริญกุศลวันนี้ไปเจริญกุศลมาอย่างนี้ย่อมากใช่ไหมถ้าใครเข้าใจได้สุดยอด ใช่เพราะกุศลมีทั้ง21สินี่บางคนไม่รู้เลยมี21สเอาสิใช่ไถา้าเป็นบุญกิจยาวัตถุสิเป็นกุศลหมดเลยนะทานศีลภาวนาอภิญเจยายยนะ น, น, นี่แปลว่าอะไรอัิญเยานะอัิญเยานี่แปลว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยขนาดนี้ยังลำบากกันนะการประพฤติ อ, อ่อนน้อมไม่อ่อนน้อมไงเป็นเป็นกุศลนะอภิาวาทนาสีรษาษีนิจังุทธาปัญโน จ, จัตโรมาวัตันติอายุโนตุกังบรามีฟั ง, ป, งประจําเลยใช่ไ บอกว่าการประพฤติอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมต่อผู้เจริญเลยวุฒิคุณทั้งหลายใช่ไหมนั่นะการประพฤติอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้าแล้วก็ทําเป็นต้นเหล่านี้นะการประพฤติในลักษณะอย่างนั้นนะ่ะเป็นเหตุให้อายุยืนเป็นเหตุถึงความเป็นผู้อายุยืนเป็นต้นใช่ไหมว่อาอภิญญาณให้สังเกตดูดิเราเจอหน้ากันแล้วก็อ่อนน้อมตามวัยอันควรต่างๆเหล่ า, า น, น, นะแต่โดยมากเราไม่ค่อยเดินด้วยกุศลหรอกมันเดินได้ประเภณนี้ ใช่ไหมเราทํากันตามประเพณีแล้วก็สอนเอาเจอหน้าพ่อกราบพ่อถ้าเจอหน้าปู่กราบปู่นะกราบหน้ายายกราบวายายท่านนั้ น, น, นอานัน้นลุงก็วากันไปใช่ไหมก็ให้กราบกันไ ป, ไปแต่เคยบอกไหมลูกที่กราบไปเนี่ยวางจิตยังไงเดินจิตยังไงเนี่ยกุศลกุศลเดินจริงป่ะพรากราบด้วยความกลัวก็ได้กราบด้วยความโลภ ก, ก็ได้กราบตามประเพณีก็ได้นี่ก็คือเป็นการกราบเป็นการไหว้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมเราเดินกันมาอย่างนี้ตลอดนั้นเอาปัจจัยนะในทาง โลกเขากับอภิญญยาณยนในพระศาสนาคนละอย่างกราบยังไงก็จะบรรลุได้เพราะเขาอ่อนน้อมแล้วจึงบรรลุได้ก็ดูที่ข้อวัดต่างๆที่พระท่านประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันใช่หไหมเขาประพฤติปฏิบัติต่อกันและการต่างๆเช็ดเท้าตั้งน้ําฉันน้ําใช้ดูแลเป็นเหตุแห่งการบรรลุอะ่ะมองเห็นไหมก็อบรมกายการอ่อนน้อมมีการอบรมกายนะคําว่าอบรมกายในที่นั้นก็หมายความว่าทําให้กายกรรมเนี่ยเป็นไปกับบุญ กายากรรมเน่ยเป็นไปกุศลนีไกายเาเดินด้วยกุศ ล, ลจิตน่ะลองคิดดูว่าบางคนเดินด้วยกุศลจิตที่เป็นสมมานั้นน่ะถ้าดูแลพ่อแม่ลองคิดดูที่ข้อวัดต่างๆที่เดินไปเดินมาหรือที่ประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นน่กุศลจิตเดินดน่ะใช่ไหมลองคิดดูดิกายกรรมของเขาจะนอบน้อมสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะจิตของเขาเป็นไปกุศลเขาไม่ได้ทํำด้วยความกลัวไม่ได้ทําด้วยความโกรธไม่ได้ทําด้วยความรักแบบตันหา แต่เขาทําโดยฐานนะที่เขาจัดนอบน้อมผู้มีคุณทาจาใช่ไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลมันเดินแล้วเวลากุศลประเภทนี้เดินนะเวลาเขาเจริญกุศลศีลที่สูงกว่านั้นนะเขาเจริญได้คล่องมากเพราะอะไรนะจารีศีลก็ชัดพเพราะว่าลีศีลก็ชัดใช่ไหมวา่าลีศีลนี่อบรมศีลเนนะี่ยแล้วพอเขาจะอบรมจริตเนี่ยมันโอ้โหมันคล่องแคล่วให้สังเกตดูเวลากลุ่มที่จะฟังสติปัฏฐานจากพระพุทธเจ้ า, านในแฟนกรุรัดเนี่ยแปลว่าสุจริตสามเขาบนเก้าสีแล้ว กายสุจิริฏฐะจีสุจริฏและมโนสุจริฏฐะเขาชัดใช่ไหมนีกายสุจิริฏฐะจีสุจริฏฐมโนสุจริฏ ต, ต่มาจะอินทรีย์สั้งวรเขาดีเขาปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาไม่ให้บาป อ, อุศรธรรมอลาโมกมันไหลเข้าท่วมทับจิตเขาคนทีน่มีอินทรีย์ทั้งวรดีแปลว่าปฏิโมกทั้งวรศีนก็ดีปฏิโมกทั้งวรศีนพอดีวพาจารีศีนเขาอบรมกายมาดีการอบรมกายมาดีก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าไง ถ้มีตถาคตโพอที่ศรัทธาชัดและถูกต้องเขาเจริญพัตถุคุณไปแล้วมายุคปัจจุบนันนี้วัตถุคุณนึกมันไม่ออกเลยแล้วเจริญวัตถุคุณได้พุโทโธบทดเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกถกมาเลยไม่พูดเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกถูกแล้วมีพวกคิดอะไรไปล้อเลยหายใจเข้าออกเยออกเข้าเข้าเยอ อ, อกซูเลยยุ่งไปใหญ่เลยฉะนั้นที่บอกว่ากุศลจิตตังเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายเป็นฉไหนสมัยใดายกา ร, รมราวจรถ้าถามว่า กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะกล่าวเพียงแค่นี้ยังไม่ได้ขยายเ้าเรียกบทตั้งบทยอ่อถ้าท่านจะขยายเนี่ยถ้าจะขยายโดยการจําแนกนี่นะที่ว่ามาจากคาว่าการจําแนกการขยายการกา ร, การจําแนกเนี่นะเทศจาแนกท่านขยายโดยคิดสะดระท่านกตั้งและกตเมธรรมากุศลายศมิสมสมเยกามาวจลังกุศลังจิตตังนี่ใช่ไหมฟังภาคสวดบ่อยไหมไมปงานศพอะ ไปจะมีรูปพาราสวดอะไรใช่ไหมเราไปตะกัศิษฐ์ถามนี้ hey, ท่านท่านที่สวดเนี่ยเพื่ออะไรป้ <laughs> าก็จะบอกว่าธรรมะก็ไม่รู้ก็ <laughs> เขาบอกว่ า, วา ง, งานศบทั้งบทนี้ดีนะก็จนคนเลยเข้าใจกันเลยบอกว่านี้บทนี้สวดให้ให้คนตายฟัง <laughs> คนไปงานสอบไปนั่งคุยกันคุย ก, กันเมื่อเสร็จก็ถือว่าเสร็จกินละก็กลับมาม้อยว่านี้ไปงานสอบได้บุญเยอะแล้วบุญมากปากรับ <laughs> บุญกันไม่หวาดไว่ไหวเลยเป็นเป็นนี้จริงนะ ใช่ไมถ้าสวดนบทนี่มันมาสวดบ่อยมากกัตเมฆธรมมากุสลายยศนิงสมัยเยามาวจเรืงกุสลาร์สวดจริงๆกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเช่นไหนสมเยเยนสมัยใดเนาะกามาวจเรืงกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นก็คือมหากุศลจิตแปดเกิดขึ้นสมัยไหนอ่ะกามาวจรกุศลจิตหรือมหากุศลจิตแปเกิดขึ้น ก็สมัยแห่งการที่จะปารลบไงบางครั้งก็รูปานะรูปาระมณังวาศัทธาระมณังวาใช่ไหมปารลรูปเป็นอารมณ์ปารลบเสียงเป็นอารมณ์ปารลบกลิ่นเป็นอารมณ์กุศลละจิตเกิดขึ้นใช่ไหมมีบ้างไหมสมัยใดที่เราเป็นอย่างนั้นนองไม่ชีวิตจริงเรามีซักสมัยไหมพอรูปปลารมมากระทบทางทางชังจากขุทวานนะโอ้โหกุศลจิตก็เดินคล่องมากเป็นบุญตลอดเลยเห็นรูปปุกุศลจิตเดินได้ฟังเสียงปุบกุศลจิตก็เกิด ด้องกลิ่นพวกแบบคุณธราจิก็เกิดริมรถอาหารแต่ละครับหมกุศลเดิอนดีเหลือเกิน <laughs> เดี๋ยวเบรกแล้วก็อยู่รู้นอาหารเต็มไปหมดยัได้ดูนะถ้าเข้าไปประเภทที่หม้ตักใหญ่เลยแทบไอตักแล้วดีนะในปากยังไม่หมดแล้วอีกมือนึงเตรียมตักรอแล้วเที่อาเป็นกุศลหรือเป็นโลภไม่ชัดเลยยังไงเงียบชัดเลยก็ <laughs> คอยจ้องกันเขาไว้คอยบางคนเล่นคอยสังเยดมองคนอื่น <laughs> ตัวนี้ก็หมายจ่าตัวนี้เขาไว้ไเที่ยวหลอกล่อคนอื่นนี่อร่อยนะชี้ไปที่อื่นก่อนนี่นะ ที่ไหนได้ตรงนี้เหลือน้อยอย่างินเสร็จแล้วมีแผนไม่อยู่โลภานี่รายกาจมากเป็เป็นเด็นั้นไหมก็นี่ไงถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยต้องสังเกตว่าคุศละจิตเดินจริงไหมเพราะว่าในสมัยใดปารบโลบารมศรัทธารมกันตารมรักาลมโผดถารมและธรรมารมณนี่ลมเกิดขึ้นนะกามาวจรกามาวจรังกุศรังจิตตังกุศลจิตเกิดขึ้นลนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการจำแนก เล็งถึงบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางเพราะ เ, เป็นเป็นคำนิเคศเป็นคําขยายนะเนื้อความที่เปิดเผยไว้แล้วให้พิสดารเนี่ยนี่ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าหากบกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนปรากฏชัดโดยประการดังกล่าวเนื้อความที่ได้กล่าวไว้แล้วในครั้งแรกน ะ, นะก็กล่าวให้พิสดารยิ่งขึ้นขึ้นไปเนี่ยนะทุกอย่างเป็นของร้อนเนี่ยนะ ของร้อนคืออะไรดูก่อนพิกษ่วทั้งหลายจักสูบเป็นของร้อนลูกเป็นของร้อนจักขูวิญญาณเป็นของร้อนจักขูสัมผัสเป็นของร้อนถ้ากล่าวอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกวิวัรณะคือการขยายวัตถุประสงค์ในการขยายเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดความเข้าใจพระเจ้าเนี่ยท่านแสดงธรรมท่านรู้อธยาศายของสัตว์ใช่ไหมถ้ายังไม่เข้าใจท่านเจาะจนเข้าใจอะ่ะท่านทะลุทะลวงไอ้ข้อขอรทั้งหลายไอ้มต่างๆนะที่มันติดขัดเนี่ย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 โดยในเป็นนิเทศบอกว่ากุศล ธ, ธรรมทั้งหลายเป็นชนไหนสมัยใดการมรวจรกุศลจิตเกิดขึ้นตรงนี้นะการกระทําความจําแนกว่าสมัยนั้นย่อมเกิดบอกว่าย่อมเกิดผัสสะใช่ไหมใช่สมัยนั้นย่อมเกิดเวทนาไหมย่อมเกิดเวทนาเนี่ยนะอันนั้นชื่อว่าเป็นการจําแนกในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการขยายเพื่อความวิจิตพิสดารในการเข้าใจถึงอัฏฐและพยานชนะการ กล่าวโดยย่อแล้วก็มาขยายแล้วก็มาจําแนกแล้วก็ทําให้ตื้นแล้วก็บัญญากาไม่ใช่ธรรมดาในะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเอาจนสัตว์โลกเข้าใจและบรรลุได้คนกลุ่มที่บรรลุไม่ได้จริงๆคือกลุ่มปฐหปรมาจิตนอกนั้นพระองค์เก็บเรียบหมดพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะก็คิดดูว่าจะตั้งหัวข้อโดยโดยย่อเข้าไว้ยกตัวอย่างนะภาษาเนี่นะเอาตั้งว่าภาษะถ้าบอกว่าภาษานี่นะจะตั้งยังไงดีว่าจะหาตัวอย่างตัวอย่างนี้ไม่มีแต่สมมติว่าตั้งภาษาเลยนะ ภาษาขึ้นมาตั้งบอกว่าลักษณะของภาษาใช่ไหมคือธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ผุดส ต, ตินี่คือการกระทบอารมณ์นี่นะถ้าหากกลุ่มที่เข้าใจโดยย่อดได้เ ข, เข้าใจเลยนะครัว่าภาษาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอพอย่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านขยายเลยขยายว่าจากักขูดสัมผัสภาษาก็มีนะภาษาทางตาก็มีใช่ไหมการกระทบอารมณ์ต่างๆก็มีโสตสัมผัสอ่ะสัมผัสทางหูก็มีเนะี่ยท่าเริ่มจําแนกไปเองไหมคานะสัมผัสทางจมูก คืวหาสัมพัสสะทางลิ้นทวารลิ้นกายสัมผัสสะทางทวารกายแล้วก็มโนสัมพัสสทางทวารใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะหกเกิดหมดเลยใช่ไหมอาศัยตาและรูกเกิดจากกุญญาณการประชุมของทรสามประการเป็นผัสสะนะเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยจำจแนกแล้วนี่จำแนกแล้วจากผัสารคาเดียวเนี่ยจากย่อๆเนี่ยมันจำแนกแล้วแล้วก็พอผัสสะาอาศัยเสียง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 อาศัยทำสามการประชุมกันเป็นมโนโสัมผัสะเห็นไหมทางตาหูจมูกเิ้นกายใจมีภาษาต่อไปขยายเลยนี่ทีนี้ที่ยิ้มภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาใช่ไหมทางตาก็มีจักขู่สัมผัสชาเวทนาทางหูก็โตสตสัมปัสชาเวทนาทางจมูกก็คานะสัมผัสชาเวทนาทางลิ้นก็ชิวหาสัมผัสชาเวทนาทางกายก็กายะสัมผัสชาเวทนาทางใจก็มโนสัมผัสชาเวทนาเห็นไหมยัง ถ้านจำแนกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเนาะการจำแนกแล้วก็ในที่สุดจริงๆท่าน ข, าขยายเนยนะเมนปมาตามลำดาบับมล้วกว้างขึ้นเลยนะบางทีพูดเรื่องภาษาเขาไม่เข้าใจนะแต่โลกจะ ท, ทําไงอ่ะพระองค์อุปมาเลยแบบนี้อุปมาไงดีบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยขึ้นมาเลยยกแม่โคถูกลอกหนังออกเข้าใจไหมล่ะเปิดหนังออกเอาไปยืนไว้ที่แจ้งแจ้งแล้วเป็นยังไงเจ็บปวดไหมเอาหนังออกไว้แล้วนะหนังของนอกออกไว้แล้วนะ แล้วถามว่าแม่โคตัวนั้นจะละแวกไหมว่ามีศาสตร์ต่างๆบินไปบินมาจะระแวกไหมนั่นแหละเนี่ยเขาเรียก เ, เขาเรียกว่าอุปมาแล้วบัญญัติยกอุปมามาเลยแล้วยังไม่เข้าใจเลยภาษาเป็นธรรมชาติอย่างนี้นั่นแหละเราก็คือแม่โคทีถูกฉลกน้งออกนี่นแหละที่ยังมีภาษายิ่งต้องเกี่ยวข้องกับภาษาทั้งหกอยู่เนี่ยนั้นภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเจ็บปวดไหมเราต้องมาเรียนเวทนานุปัสสนาติปฐานกันนไงใช่ั้มทําไมต้องมารอบรู้เวทนา ทำไมต้องรอบด้เวทนาเพราะเวทนาเป็นอะไรเวทนานั้นเป็นวิบากเยอะไหมเวทนานี่เป็นวิบากเอาลายให้ดูเดี๋ยวนี้เวทนานี่เป็นธรรมที่เกิดอ่างปัจจัยนะสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็อุเบขาเวทนามีเวทนาสามเยอะไหมทงจักขุทวานี่มีเวทนาเท่าไหร่สามทางโสตทวานมีเวทนาเท่าไหร่ ขานาตวานอีก3ชิวหาตวานอีก3ามกายาวานอีก3ามมโนต ว, วานอีกสาเป็นเวทนาเท่าไหร่สามหกสเวทนา18แล้วที่เกิดในเรานี้เนาะเวทนา18ใช่ไหมเวทนาที่เป็นภายใน18เวทนาที่เป็นภายนอกเป็นเท่าไหร่าสาเวทนาที่เป็นอดีตเท่าไหร่สาเวทนาที่เป็นปัจจุบันอีกเท่าไหร่36เวทนาที่เป็นอนาคตเท่าไหร่ รวมแบกเสร็จเป็นเท่าไหร่นั่นแหละเวทนาที่ท่านทั้งหลายต้องแบกกันเจ็บปวดม่ได้นี่แหละเวทนาขันหนักไหมหนักไหมเวทนานี่หนักเนาะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัญหาใช่ไหมนั่นเห็นไหมรองสาวขึ้นกระบวนนี้เวทนานั่นมาจากภาษาภาษามาจากอายตนะอายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจาก สังขารสังขารมายาวิชาเห็นยัเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยยังมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยยังมีเ <id> พราะวิญญาณเป็นปัจจัยยังมีานามรูปเป็นปัจจัยยังมีสารายนะ ต, ตนะเป็นปัจจัยยังมีภาษาเป็นปัจจัยยังมีมีมมกําลังเรียนกันอยู่เนี่ยเวทนาเป็นปัจจัยยังมีตัณหาเป็นปัจจัยจังอุบาทานเป็นปัจจัยมีเพราะเป็นปัจจัยมี ถ้าใจมีชรามร า, รารนาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความทับแค้นใจมาอยู่เวทนาเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะวิ่งขึ้นข้างบนหรือจะวิ่งไปในอนาคตเหรออันนั้นคือกับดักที่คอยเราอยู่คอยเราอยู่นีความโศกเนี่ยนั้นเวทนาเนี่ยจึงเป็นถ้าเรามาพิจารณาเวทนาเนี่จึงเป็นปัใจจัยในการที่จะมาไข้ควนเป็นต้นได้ใช่ไหม เอามาพิจารณาดูเอาถ้าไปเชื่อมโยงในพุทธคุณนะพระเจ้าให้อเวทนาเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้อะไรสามมาสมพุทโธเนี่ยตรัสรู้อริยสัจสตรัสรู้เวทนาเห็นไหมอัตสรู้เวทนา6ตรัสรู้เวทนาเท่าไหร่เวทนา18บแดตรัสรู้เวทนา3 6ตรัสรู้เวทนา108ยแปสรุปก็คือเวทนา1เวทนา2เวทนา3 เวทนาหเวทนา4เวทนาหเวทนาหกเวทนา7จมี้มีวิญญาณอาทิี7ไงใช่ไหมเวทนา8โลกระทำแปเวทนา9มีนีมมเวทนาเก็ต้องมีดิใช่ไหมมีไหมเวทนา9เวทนา10เวทนา11อยังไม่เคยเห็นเวทนาส2บอมีนะเวทนา18บแปดมีเนาะที่ว่าเมื่อกี้นี่ไงเวทนาร้อเวทนาสโชกเวทนา108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 ก็เลยเนี่ยเกิดกันมาหลายสังสาระวะัแล้วก็ไม่ยอมดับทุกข์กันสัทีตั้งหลักใหม่ใช่ไหมความรู้ไม่พอไงนะไม่พอต่อการจะกันตัญหาจะละตัญหาจะถ่ายถอนตัญหาเวทนาเป็นสจอจะไจจรอ่ะเป็นทุกขสัจจขตว์เนะาะพระรัชกานี่บุาคลมาสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้าพูดเรื่องสัมมาสัมพุทโธเดี๋ยวจะเชื่อมโยงในเวทนานุปสนานะ ว่าพระพุทธเจา้าตัดสู้สูตรนี้ด้วยที่บอกว่าทรงเป็นผู้ตัดสู้รมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองใช่ไหมคำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตัดสู้โดยชอบแล้วก็ด้วยพระองค์เองใช่ไหมใช่คำว่าตัดสู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองนั้นก็คือตัดสู้พิญเยีธรรมคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งอย่างวิเศษก็คือตัดสู้เยี ย, ยธรรม5ประการตัดสู้สังขารวิการลักษณะนิพพานบัญญัติ5อย่างใช่ไหม สังขารในที่นั้นได้แก่สังกตธรรมสังกตธรรมก็คืออะไรธรรมที่ถูกปัปจจัย4ประชุมงูต่งกรรมจิตตัวอาหารจิตแใช่สังขารไหมใช่นะพทธเจา้าตรัสรู้หมดเลยนะจิตเ้านี่นะเจสิเท่าไรหร่ส2เนาะสรุปก็คือนามขัน4รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิตรัสรู้แล้วก็นิพพานในรูป 18. สปนนะดิดสรุปแล้วขันหนะขันห้าขอพระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง นี่นีขันห้าแล้วนะแล้วก็วิการแล้รูปด้วยวิการแล้รูปสามรักษาอีกรูปอีกสีอุปัจจะยสันตติชะละตานิ จ, จตาใช่ไหมแล้วก็นิพพานพระญาติรู้นะแล้วก็บัญญัติทั้งหมดเลยนี่ไงอภินญญาธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งนั้นบัญญัตินั้นเป็นอารมณ์ของสัมมาสัมพุท ธ, ธาหมดแล้วเพราะว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเป็นเป็นปรมารหรือบัญญัติ พุทธาเนี่ยเป็นปรมัตาหรือบัญญัติเอาเลยสิตอนนี้เห็นไหมเอามหาเอกพุทธาเนี่ยเป็นปรมัตาหรือบัญญัติพุทธาเนี่ยว่าโดยหลักจริงๆคือสภาวะประมาพุทธาการ ม, มพุทธาสมมาสัมพุทธาเนี่ยเป็นปรมาเนี่ยเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมสภาวะแห่งการตัดสู้อริยสัจนั่นแหละคือพุทธาใช่ไหมสมัมมาสัมพุทธาเนี่ยถ้าว่าโดยสภาวะจริงๆได้แก่อรหัตมรัก ข, ของพระพุทธมีพระเจ้า ในอาราธมัตินั้นองค์ทำได้แก่อะไรใช่ไหมไอ้ได้แก่อะไรอ่ะได้แก่มรคจิตน่ะมรคจิตแล้วเจไดสิกสาน่ะนามขันสี่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนแล้วก็วิญญาณขันใช่ไหมนั้นสภาวะประมัตธรรมอันนั้นแหละเป็นตัวไปแทงตลอดอริยสัตว์เป็นสภาวะที่ตัสรู้เองกว่าจะได้สภาวะอาราธมัตันนั้นมาใน20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัมกว่าจะได้สภาวะอาราธมัต์อันนั้น สภาวะนั้นแหะที่ไปแทงตลอดตรรุธอริยสัจโดยชนิดที่ไม่มีอาจารย์ของเราไม่มีครูของเราไม่มีคนที่เสมอเราโดยศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เป็นต้นไม่มีเราเป็นผู้เลือดในโลกเราเป็นผู้เสด็จที่สุดในโลกเราเป็นคนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอ่ะพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปใชท่านประกาศยืนยันตั้งแต่ที่จําความได้แล้วตั้งแต่เดินออกจากท้องแล้วนั่นไงพระโพธิสัตว์ ลักษณะของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ออกมาแบบประเภทที่บุคคลไม่รู้จักเขารู้จักกันตั้งแต่ชั้นลูกศิษย์ก่อนหน้านั้นโดยซ้ํำไปเขาพาเป็นคอยรอจังหวะอยู่ตลอดเวลานี่นฉะนั้นถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้านี่นะว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นคาว่าสภาวะของสัมมาสัมพุทธาเนี่ยหรือพุทธาเนี่ยเป็นสภาวะเท่านั้นเองเป็นสภาวะแต่ในสภาวะของอรหัตธรรคนะอรหัตธรรมอันนั้นเนี่ยที่กว่าจะได้อรหัตธรรคอันนี้เนะ ต้องบ่มเพราะบารมี10อุปปารมีสิบป ร, ป ร, ม, บปรมัตถบารมี10บเนะี่สอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรที่อธิบายไปแล้วเนี่ยนะพอได้สภาวะประมัตตนั้นแล้วสภาวะประมัตตนั้นแหละไปแทงตลอดอริยสัจเมื่อแทงตลอดอริยสัจก็คือรอบรู้ทุกข์ละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธเป็นอารมณ์ในขณะนั้นแล้วก็ประชุมมรตแปหรือโพธิบัคคียาธรรมสามสอยู่ในนั้นแหละอาจจะขาดบ้างเกินบ้างก็แล้วแต่มตรตจะต่อจะเชื่อมอยากอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่สรุปก็ท่านแหละ สติปทานสมปรปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงค์อริยมรรตเนี่ยประชุมหมดแหะที่เราเรียนกันเนี่ยไปประชุมอยู่ในขณะแห่งมรรคจิตนั้นแหละสภาวะนั้นแหละคือแทนตลอดอริยสัจนั่นไงคือพุทธะเข้าใจไหมนี่พุทธะคือสภาวะนั้นทีนี้สภาวะนั้นจะเกิดขึ้นมาลอยๆได้ไหมถามว่ามรรคจิตนั้นต้องอาศัยมีที่อาศัยเกิดไหมต้องมีหัตถยาวัตถุ ข, ของพระมหาุรุษิอยู่ไหมแล้วหัตถยาวัตถุที่จะรองรับนะหัตถยาวัตถุชิ้นนั้น วัตถุท่าศักกราบอันนั้นน่ะหนึ่งหัตถยะวัตถุรูปสองดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาอีก8ใช่ไหมแล้วก็ชีวิตรูปอีกหนึ่งแล้วก็หัตถยะวัตถุอีกหน่งรวมเป็น10รูปนั้น น, น, นะวัตถุหัตถยาวัตถุท่าศักราบแล้วก็มีกระาบอื่นอีกมากมาย ม, มากที่ห้อมล้อมที่เป็นที่อาศัยเกิดของมรรคจิตของพระมหาบุรุษ นั่นคือรูปรขันแล้วก็มีมังหามังสาหัตยาห่อหุ้มอยู่เป็นก้อนเนื้อหัวใจในนั้นก็เกิดจากดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมจิตตัวอาหารเยอะแยะไปหมดใช่ไมแล้วก็รวมเป็นกรารรชกาลของหมาปุรุษที่ประดับไปด้วยมหาภุริสระขษาด 3.2 ประการและนุพยานชนะอีก80นั่นไงที่ตั้งของมริตของท่านสภาวะเหล่านี้ประมาทวนไหมนั่นแหละคือขันห้ากาลังดาเนินไปอยู่ ก็ลองคิดดูที่ว่าอาหาตมรรมจะเป่งปังสักแค่ไหนใช่ไหมเพราะเป็นอาหตาตธรรมที่ต้องอาศัยการบ่มเพาะแวดล้อมมาของบา ร, รมีสามสิบทักแล้วเพื่อจะประชุมโที่ปัจจคียธรรมบีบราดให้เป็นศีลสมาธิปัญญาที่เข้าถึงความแก่กล้าอย่างยิ่งเพราใสาบา ร, รมีที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานจะเปล่งปังขนาดไหนเสียดายเราไม่ได้เห็นกันคนนั้นนะเอาเรื่องจริงนะเนี่ยพูดเรื่องจริงนะก็อย่าใจว่าเพราะ นานเหลือกเกินวันนั้นนะวันที่อาณาธรรมอุบัติเกิดขึ้นเองที่เป็นสัมมาสัมพุทธะนะท้ามาหาพรหมหลายหมื่นจักรวาลเท้ามาหาพรมถือฉัดมาหลายหมื่นจักรวาล น, นะนนเต็มเยียกไปหมดเลยถือฉัดถือธงถือฉัดมากลางการถุกถวายบูชานั้นเทียบเทวดาแม้แต่คนทันแม้แต่นาคแม้แต่ครุฑพุดขึ้นมาบูชาเต็มไปหมดก่อนที่อาณาธรรมอันนี้จะอุบัติเกิดขึ้นนะี่ย ถือว่าเขาได้บูชาแล้วเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อรหัจมรรคของพระมหาบุรุษของพระพุทธเจ้นานังสุชาดาเนี่ยก็ได้อยูไ่ไหมเนี่ยคือมนุษย์นอกนั้นเทวดาพรมได้กันอีกเพียบหมดที่เขามาบูชากันเนี่ยแล้วเราไปมดอยู่ที่ไหนทำไมไม่ไปบูชาจะได้อาหัจยักษ์เขาบ้างอาจจะได้บูชาบ้างกันใช่ไหมใช่ไหมเขาไปบูชากันอย่างๆนั่นแหละเขาไปบูชากันเขาจึงเรียกว่าเป็นการบูชาที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก เมื่อบูชาแล้วเป็นปัจจัยให้พระหมหาบรุษนนได้จัดสรุนุ่นตะล้าสัมมาสัมโพธิญาณมองเห็นไว้แล่ะนี่เป็นอย่างนี้งั้นสัมมาสัมพุทธโธ ท, ที่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆท่านล้อคอยกันมาอย่างยาวนานแล้วกว่าจะมาอุบัติเกิดขึ้นแต่ละอสงไขแต่ละอสงไขเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากนั้นเราท่านทั้งหลายก็ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นความว่ากว่าถ้าเราดูประทัดฐานของอาณาจัรรเนี่ยใช่ไหม อรหัตมารตนั้นมีวิปาาัสนาญาณของพระนาคามีเป็นประฐานวิปัสนาญาณนั้ น, น, ม, ม, น, น, นมีสมาธิเป็นประฐานใช่ไหมสมยถาภูดยานัศนะนิพิทาเวราฆาก็เวลาฆาคืออริยมรรยมรรยมรรยมรรยมรรยมรริมรรยมรรยมรรยมรรนมรรยมารยมรรยมรรยมรรยมรรยมรรยมรรยมรรยมรรย้รรยมรรมรรยมร็ยมรรยมรรยมรรยมนรยมรรยมรมรรมรรมรรยมรรยมรรยมารยมรรยมรรมสุขมรรยมรรยมรรยรรยฐา น, น ความสุขก็มีปัจสถานเป็นปัจสถานปัจสถานก็มีปิติเป็นปัจสถานปิติก็มีปราโมทเป็นปัจสถานปราโมทก็มีอวิปปิสานเป็นปัจสถานอวิปปิสานก็มีกุโสและศีลสี่อย่างปาฏิโมกข์สังวรศีลอินรีลสังวรศีลอาชีวปฏิสุทธิศีลปัจญาสนิสิตาศีลนี่แหละเป็นปัจสถานเป็นอย่างนี้ลองคิดดูที่ว่าก่อท่านจะบ่มเพาะศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็จะเป็นปทัจฐานแก่การได้อรัตมรต อาณาจักรคผมท่านต้องบ่มเนี่ยยี่สิบประสงค์ไถ่ท่านเดินไปวนเวียนวนเวียนกับประตูบริญพานมาตั้งนานแล้วท่านไม่เข้าหรอกนิพานธรรมดาเนี่ถ้าท่านจะได้เป็นพระสาวกท่านไม่เอาการยับยั้งชั่งใจเป็เรื่องยากสําหรับคนเต็มท่านต้องบ่มไปเรื่อยๆเอาบารมียังไม่เต็มเป็นไม่ได้พุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระประเจ้ของพุทธเจ้าเนี่ยได้แต่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ขเข้าใจไหม ทำไมท่านผูกผูกอะไรผูกบา ร, รมีไว้ในตนแล้วผูกสัตว์คือผูกพวกเราเนี่ยไว้ในตนฉะนั้นกรุณาของท่านเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมกรุณาของท่านเนี่ยแข็งแรงเพราะท่านมีกรุณาแม้ก็ดึงปัญญาไว้ยับยั้งปัญญาไว้ไม่ให้แทงตลอดอันเดียสัตว์ความไม่เห็นแก่ตัวของท่านนั่นแหะท่านผูกพวกเราไว้ในตนว่าท่านอนุ ป, ปาทาบริญญาพันแล้วจะทําให้คนอื่นได้อนุ ป, ปาทาบริญพานด้วย คือท่านดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วเนี่ยแล้วท่านปรินิพานแล้วเนี่ยท่านจะดึงบุคคลอื่นให้ปรินิพานตามท่านด้วยนั่นคือปรินิทานของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่อย่างเราใช่ไหมหลุดพ้นได้รีบหลุดแล้วทิ้งใครได้ทิ้งเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใจของเราเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ใจของเราใจของท่านนี่เป็น